มีอะไเหนื่อยละเยอะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมานั่นคือมันําหรับผาดดันจิตใจไม่อยากจะให้ไปถูกตรทุ่มทำถึงความดีพิเศษเราต้องเตือนตัวของเราจิตที่มันบกชิดจิตที่อ้างอย่างนั้นใม่ตัวว่าเป็นมามันเก็บมันปวดมันเหนื่อยมันลาศทำมาที่สอนไมกับบอด คนขันติกวิยะถ้าหากว่ามีส่วนเหล่านี้ท่านจะมาสอนทําไมมันสะดวกจะมาอยู่ทุกอย่างจะมีการขาดเปลี่ยนทำไมจะมีการอดทนทําไมมันต้องเป็นต้องไปทุกภาคทุกขันความยึดมั่นนี้มัม่ว่ามันจะรู้ออกได้ก็ต้องอาศัยการขาดเลี่ยนเผาวนาการกดการกด เราในต่อสู้ก็ามงรู้ว่าจิตใจของเราสูงต่ำดีชั่วขนาดไหนมันเกิดขึ้นเป็นขึ้นกําลังตามสามารถของเราจะเพียงพอหรือไม่เราจะพิจารณาแบบได้จิตใจที่จะละขอนีิสอยวางได้เราตกลุจเจรณาเรื่องของเราเอง้างกาลังทางจิตทางใจทางอัตทางธรรมเพียงพอที่เหลืมันตกออกไปลุดออกไป ได้ออกไปหายออกไปความยึดมั่นไม่มีทุกข์มันจะมีมาจากทุกข์มันเกิดขึ้นจากความยึดมั่นความเสื่อมจิตไมาเป็นทุกข์ขาปล่อยได้วางลดพิจารณาจิตควนอบรมฝึกฝนใจิตใจของต น, นควรจะมองข้าม เพราะจิตใจเป็นของสิ่งมีคุณค่าราคาดีเด่นไปเจอสุดยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปในโลกหากฝึกฝนรวมจิตใจรู้เห็นเช็นขึ้นจะเห็นคุณค่าไปตามลำดับยิ่งจะจิตสงบสง่าแต่รับความสุขความสบายไนวุ่นวายคอบวรตัวเองแต่ก่อน เคยสรุปอย่างนั้นอย่างนี้เพราจะฝึกหัดปฏิบัติอาธิธรรมนี่ฝึกหัดขเพาะเยอะการอ่างเวลาเยอะกว่าอย่างนั้นเยอะกว่าอย่างนี้แต่พอเห็นอัธเรีนธรรมจากการปฏิบัติเคยได้รับรสชาติความสงบสงัดความปล่อยวางของใจเมื่อทําไป เรือยๆปกเกิดความสะดวกสบายขึ้นเป็น้องหน้าไม่มีอะไรมาขัดขวางยันใจก่อนโดยมากหากผู้เห็นผู้เป็นในจิตในใจทุกตามทุกสมัยทุกวันทุกเวลามีความพอใจให้คิดรับไล่ใสส่งเรื่องที่เดือดร้อนหาทุกอิยาบุแะเดินใจหน้า จะกินจะดื่มความคิดจะกําจัดไล่ที่เด็ดตันหาเนีอยู่ทุกการทุกเวลาเนี่ยคือเราฝึกจิตของเราให้เป็นธรรมถ้าจิตของเรายังไม่เป็นธรรมมันก็ต้องอาศัยเป็นการเป็นเวลาเทื่อฝึกตั้งหน้าเาจะทํา แต่บทต้องไปมีแต่จินตญาทางกายถึงนะใจไม่เปลี่นไปคนที่ฝึกซ้อมตัวเองจนหยิตเป็นมหาเศรษฐทุกอิริยาบทไปในสถานที่ใดพูดอยู่ทำอยู่รู้อยู่สังขางรโ ง, ง่งขึ้นทับทับทับเมือ่อใดเข้าใจผัานเสมอจะตื้นเล็กจะ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 ม่เป็นอย่างนั้นตาไปเห็นหูได้ยินมันเหมือนกันกับเอาเหล็กหรือเอาทองแก้วแข็งไปขิดหูหึหยุดขีดแล้วฟังีดแล้วขีดไม่ไดมีอยู่แต่ท่านผู้ขีดเป็นมหาสีิมหาปัญญาไม่เป็นอย่างนเหมือนกันกับเราสีดน้ำก็ขีดไปถึงที่ไหน มันกดดับไปสินะไม่เห็นเร่องรอยอะไรมีความคิดความปรุงข้าใจที่ฉันมีแต่ติดมีความจริงจังพออย่างนั้นคิดได้ปรุงได้แต่ไม่จิดไมนมีเรื่องรอยอะไรเหมือนนกบินบนอากาศตามไม่ได้จิตที่ติดได้อย่างนั้นละได้อย่างนั้นสอนได้อย่างนั้นเป็นจิตที่สบา นคนจิดที่เยืกเยนเป็นจิดที่น่าอาศัศจรรย์พวกเราท่านทุกคนยิตประเภทนั้นมันมีอยู่ขอวไห้พากันต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติจะรู้ใจเห็นจะเพี้ยนขึ้นจะจิตจิตยังเหมือนมโนท่ากามอย่างนี้ไม่ะช่ตัวอืมันจะเห็นจะรู้ ยินจะเชื่อเลื่อมใสและยินดีเต็มใจในอจในธรรมชีวิตที่เกิดมาไม่เป็นโมฆะเป็นของที่มีสาระประโยชน์สิ่งใดที่เราควรประพฤติปฏิบัติเราได้ประพฤติปฏิบัติจนเห็นจนรู้จนหมดจนสิ้นคามสงสัยภายในใจ แล้วเรา็วรจะมีการส่วงการผวงชีวิตต่อไปเพราะอยู่ไปอีกมีปีแสนปีความดีจะเกิดขึ้นอีกมีไหมมันบอกแล้วรู้แล้วว่ามที่สุดของจิตที่สุดของธรรมที่สุดของการประพฤติปฏิบัติมีีคงแค่นี้จะประพฤติไปอย่างไรจะให้ดีไปอีกไม่ได้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 ที่สุดจุดหมายลายทางของอัดของขับถ่าถึงที่สุดดิมดแล้วความห่วงความหว ง, าหวงตายหรืออยู่คุณขาดเขาแั่ไม่มีอะไรเสียหายจะแนะนํำคำสอนคนอื่นเขาเหลื่อม ใ, อใอสก็เป็นเหยื่อจิตใจของเขาเขาเศร้าหมองก็เป็นเหยื่อของเขาเราเป็นอย่างไรเราศาสตร์ในตัวของเราอยู่มันจะไปเสีย ก, ย, ยกับใครจะไปได้กับใครมันไม่มีมันหายสงใส ทุกการทุกสมัยทุกวันทุกเวลาท่านจริไม่มีการู่งการถวงอยากจะอยู่ต่อไปก็อไม่ไอยากจะตายไปก็อไม่จับแล้วแต่เรื่องของจำมันจะมาถึงเมื่อไรทำไมติดข้องแ้วเรื่องของขาดของขาดขอให้ฝึกให้อบรมให้เป็นอย่างนั้น จรู้เห็นเด่นทัดในตัวเองําพูดของพระพุทธเจ้าและครูอาจารย์สื่พูดไปจริงแค่ยางไรเราจะทาได้จากความบริสุทธิ์ของใจเราเองไม่ต้องไปซุ่มดาว่าทสินเป็นอย่างนเราเป็นอย่างนี้ในคุยอรมไปเองทาไปเองามเสียงคําเป็น จะเด่นขเหมือนกันกับเรารับทานอาหาเอาทานไปเชื่มันอืนจะรู้จักการปฏิบัติยังไม่ถึงที่สุดทีมุตินิทานเมื่อใดขอข้อให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจเพื่อปฏิบัติเพื่อให้ถึงเข้รู้ให้เห็นให้เด่นไปจับแทรบเตียนในจิตในใจของตนถึงเรียกว่าปฏิบัติธร ในอย่างนั้นก็มีการสงสัยลังเลอยู่เสมอไปอีกแบบเรื่องรบปฏิบัติรจับเรื่องทามเรียกทาง่ายต่างๆใหตกออกไปใจเราสำละได้ไม่ใช่จะเหลือวิสัยโยมมอยู่ที่ใดกลงเรื่องของกายเนี่ย เป็นส่วนใหญ่ขันธ์เจนหนพิจารณาเรื่องท้องใจเมื่อบนเรื่องท้องใจไปแล้วเรื่องท้องใจมันเป็นอย่างไรมันควรจะตามพิจารณาไปเหมือนกับไปที่มันหมดเชื่อจากส่วนนี้แล้วนั่นก็ไปมีเชื่ออยู่ที่ไหนก็ใหม่ไปครับเรื่องท้องใจจะเป็นของทั้งทาที่ทุกท่านจะควรที่นี้พิจารณาจะแยบทาง เ่อมันยังพอบอลลูนหมดเรื่องของมันไม่ต้องบอกเรื่องมันจะปล่อยจะวาดมันจะต้องไล่เท่าจุดไหนอะไรสี่ไปเหลืออยู่มันตัวจะต้องคลคิศที่จะนาจนหมดเรื่องจริงๆมันจะรู้มันหมดอย่างไร เมือม่อหมดแล้วมันก็จะต้องเข้าใจไม่ต้องไปหาเพราะหามันหลงมันยังไม่รู้ยังไม่เห็นมันจึงาหาแต่เพียงน่ะแร่ควรถึงเดานี้ไม่มีผู้อื่นจะมาทำให้การแน่การสอนเป็นหน้าที่ของท่านจะ่นี้ยแต่สอนแต่ท่านสอนก็เป็น ทำผู้ท่องขั้นเป็นเรื่องท่องขั้ h ตัวเราเองสอนเราเองดักเราเองฝึกซ้อมเราเองจะรู้เองเห็นเองเป็นเองขึอดจำคันขอในบำรุงสัททางด้ความเชื่อมีอยด้ความเพียรจะิตด้ความเลือปัญญาด้วความนิสิตเจริญไมมากเท่า ทำเหล่านี้เป็นอาวุธสำหรับหลาดตามเกิดวิเลตปัญหานเไปใช้ได้ไประโยชน์มาได้ผลมาเราทุกท่านเมื่อได้สะดับแล้วฟังทำเกี่อวกับิบายมาโงนำไปที่นี้ที่เคยมาเมื่อเห็นว่าเป็นทางที่ดีที่สุดเพราะวานำ ไปประอกอบกับพฤติกรรมต่างๆะันั้นเขาจะมีาาะออทางสู่ความเจริญเพราะยึดธรรมะอย่างนี้วัน น, นี้เป็นวันเทศกาลถือเป็นวันเขาระดับดีเข้าอุญแาพ่แพอแม่ตา ย, ยายของพวกเราถือว่าเป็นวันสงคัญ เลยเลยนะผิวใสมาจากไหนแต่ไรผิววันมีมาบริสุทธิ์ก็ทามือกับบาตรอยู่นี่อันนี้จิตบบนี้ผิวเป็นมาจิตนี้ที่ดันนี้ฝึกฝึกฝึกใจของพวกเราเกเนราว่า บุญกุณทานสายหนึ่งทำบุญคุณทนานในวันนี้ก็ถือว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนกระตันยุ่งกับอาวุธที่ทำงานวันนี้ทือว่าเป็นงานทาบุญอรทิพ์ในพวกเบสพกปฏิบิษา์รำปละที่เหล่ากันมาวันนี้เป็นวันพญายม ลอยสนาโลออกรัฐไวยาคารอยากอยานี้เงินล้านหรือพ่อแม่เป็นการเล่าถูกกันฟังมา่เป็นจริเชค่อย่างไรนั้นพวกเราก็ไม่ทราบเพราะการทำบุญถึงทาน เป็นเรื่องดีอย่างห น, นึ่งถ้าหาเรเกิดนเรมีเรื่องที่จะทำโฟกสจิตใจต็ไมันไปใค่คิดอยากจะทำกันเมื่อมีผู้พูดอย่างนั้นผูนนน้ที่พอแม่ลมหายายไปผูอยากตายลมหายายไปยู่หลาน กามีภรรยาล่มหายตายไปก่ อ, อนึกถึงลูกถึงหลานถึงามีภรรยาถึงพ่อถึงแม่อยาจะทำยุ่งยุ่นพานไปให้แต่คนลมหายตายไปส่วนใหญ่พวกเราทีมีญาติพวกเาว่าท่านเหล่านั้นท่านจะไปเกิดในสปานที่ใดเพราะตายายของพวกเราไม่มีญากิเราเป็นไปดีไป ท, ทั่ว แต่ทิ้งอย่างไรพอดีนคนเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์เต่ใจว่าจะมีพ่อมีเนี่ยแต่เพียงคนเดียวในปัจจุบันเท่านั้นพอ่อแม่จะเคยเกิดเคยตายรวมกันอาจจะมีมากบางส่บา ง, นบางคน ก, นก็อาจจะเกิดดีสุขืีไปเกิดสวรรค์ไปพอมาโลกนี้สิ้นสุด ถ้ามีทวามไปแล้วก็อาจเจป็นเพราะการเรียนไายตายเกิดในวัฏสงสารมันนานหนักหนาเรียนใหม่ตามาจะกี่จักรี่กันมาแล้วพูขี่ไปต ก, กทุกข์ได้ยากเพราอาจจะมีมากเหมือนกันแะนั้นการทำบุญชุนทานอุทิศไปให้แกศรัทธาศัตร์แกตีแต่ศัตรูเป็นอย่างทางดีอันหนึ่ง เป็นบุญเป็นสุสนมีต่อนึ่งทนเรียกว่าตานนโมทนาใหม่หรือปฏิทานาใหม่หที่บุญส่วนตนได้แต่ทำบ่งชิงไปให้แก่กัตรย์แก่เจ้ใหญ่นไม่แก่อะไรต่ออะไรทั่วไปวเนพวกเกียได้นโมทนาตัวเรียกว่า กาอนุโมทนาทานคืออนุโมทนาการบุญการผุศรนจากคนอื่นบก็้องเรียกเป็นบุญเป็นผูกศรนจากต้นขึ้นดังนั้นวันนี้พวกเราที่ได้ตักบาตรจังหวัดตามบุญฝ่ายทานในราคาศี่ตลอดนี้งระดับรับฟังตามคำสั่งสอนของพระไตรจ่าฝ่ายทาการอุทิศบุญกุศรนที่พวกเราได้แต่ทำบาเพ็ญ ไปให้แก่พวกกับาระตัดหัวไปจะได้รับความสุขตายสุขใจเพราะโดยส่วนใหญ่พวกเจใจัทนพวกที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากอนาถาการต า, ตาของคนผู้ที่ ม, มีบุญวัสนาไปตกทุกข์ได้ยากลำบากอย่างนั้นไม่มีกาทรทำลายใช้นา ไม่มีการขาดหายไม่มีการงานอันอื่นแต่ต้องอาศัยกรรมเป็นเครื่องหล a อเลี้ยงชีวิตกรรมที่ตนทำไว้ถึงจะทุกข์ยากลำบากเส้นใจแต่ก็ไม่ตายแต่ให้ง่ายเพราะอาศัยกรรมหลเลี้ยงเอาไว้กรรมเป็ของสำคัญ คิดดูอย่างพวกเราท่านที่อยู่ในคันของมารดาพวกเรามากเกินถ้าหากไม่มีกรรมหล่อเลี้ยงเอาไว้เราเกิดมาเป็นคนละอย่างเนี่ยเอาไปยัดใส่ในสุ่นในหายทิปากไว้ไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงต้องตายกันนี่เราอยู่ในทันอยู่ในท้องของแม่แตักระยะเดือนจ่ต้อ่ตายกันเพราะกรรม เี้เอาไว้เราก็ยังเติบใหญ่ขึ้นมาได้มีปกเกิดทั้งหลายผีอาศัยกรรมถึงแต่ทุกอยากลำบากในเมียขาวป้าอาหารเป็นเชืออยู่เชือดกินก็ตามแต่กรรมเลี้ยงไว้เขาก็ไม่ตายอดยากยากจนอยู่อย่างนั้นแหละการเกิดเป็นเกล็ดเป็นผี คือตําดีใหม่มากตัมชั่วใหม่มากตัมชั่วมากหมลงอยู่ในนรกตําดีมากหมไปเฉยเป็นมนุษย์เป็นเศษขบุตรเศษทีดาไปเสยระยะที่มาเฉยมาเฉยเป็นเศษเป็ น, เเนตมํมอยู่ใระยะที่จะมาเป็นตัดอีกคือจะมาเฉยเป็นมนุษย์แต่เศษตาํา ที่ทำไว้ยังไม่หายจำเป็นจะต้องมาเพื่เ็นเศษเศษนั้นคอยวันคอยคืนจะทำบุญคุ้นชานอย่างมนุษย์เราไม่ได้จะค่าขายหาจินมเสื่อือนไม่ได้จะต้องอาศัยคนอื่นถึงเป็นญาติเป็นนิกเป็นหนุเป็นหลานผู้ใจบุญทั้งหลายผู้ิดไปให้เศษนั้นถึงจะได้รับส่วนบุญส่วนสุสน แล้วกมมีความสุขความสบายเราให้อาหารอุปถิอาหารแไปให้เดนั้นถึงไม่เด็กกินเกิดตัวตัวเองแต่อํานาจบุญกุศลจุตวิธี้ปให้เดชนัได้รับอนุมูลนาเข้ากดีน้ำตำลามมีความสุขความสบายเราได้ให้อะไรเป็นทานอุปถัอา์นั้นไปให้เดชนั้นได้รับอนุมูลนาและรู้สึกวัดสุข สบายขึ้นบางทีก็คนใจจัดกำหนอดของเศษเป็นเทศษขมุเทศษที่ดาไปอย่างนี้ทางที่ทันต่อไว้เรื่องของเศษอยากให้เจา้าพิมพิศารนั่นกว่านานแสนนานโดนนับไม่ถ้วนทางเจ้าที่อิจฉาจับแต่เป็นเศษอยู่นั้น คนจากนรกมาเป็นเศษคอยรอรับบุญกุศลถึงถพระผท้เจ้ามาตาัดองค์หนึ่งตกเรียนาถามแตนกว่ายังอยู่เรื่อยๆมาจนมาถึงพระเจ้ า, จาพู้เจ้าที่ชื่อว่ากูฟุตันโชสันเปทรัพยากรใ ห, หร้ยังอีนานพอองควรอยากของสั่นจะมาเกิด เป็นมนุษย์สื่อพระเจ้าพิามพิสารและพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นในระยะนั้นที่โพดมระยะนั้นแหละพวกสัตนทั้งหลายจะได้รับส่วนบุญอย่างอยากที่แท้ให้าเป็ตดีอกดีใจเหมือนจะได้ในวันสุน่มนี้พอได้ข่าวเหมือนท่าน ถ้าพุทธเจ้าองค์นั้นตอนนี้ผานไปกว่าพุทธเจ้าองค์ใหม่จะมาตาัดทูลขึ้นก็เป็นเวลานานแสนนานพุทธเจ้าตัดสรสะตัดสโบตัดทะลุก็มาเรียนถามอีกบอกว่ายังอีกคุนะตง้งพัะมโนตัดสโปถามาพระองค์สีมัสสีโคตมะโคตโม นถึงวันเวลาถวายที่ดินถวายสวนเมฆไทยสารดุจยานของพระเจ้าบิณฑบาตเรียกวถวายทานต่างๆเรดมคอยรอรับบุญผู้ชนจยากุแต่เธอเอินยากุศลโยงไปเสียพอทำบุญสุนทานก็ไม่ได้ิดบุญผู้ชนแต่ห้ เลยนใจอะไรเพราะทำบันดานอย่างไรไม่เด็กึงตอนเย็นมาเลยรอ้องไห้เหลืวพินิจในตลาดสว่งอย่างวจับยืนมสามเลยเกิดตทกทไทยคือเกิด แห้วใจเกิียดตัวขึ้นแล้วผมไปหาผู้ใจจ้าผู้ใจจ้าก็เลยบอกว่าเป็นญาติเก่าเสียมาขอรับส่วนบุญที่มหาวพิธได้ถวายทานถวายที่บินที่ดีต่างๆเรื่มหาวิธเนี่ยเลยคิดบินจุดศใจให้อ่วนพระเจ้าที่มาก็เลยมีมนพระผู้ใจจ้าเป็นประธานวางเวทีสุดโส่ง อาชนาได้รับอายัดทานสองขันธ์ในวันนีข้ขึ้นพอทำบุญจนทานกับพระพุทธเจ้าแลี่ยข้าพระยสุงสาวกเหล่านั้นองค์ที่บุญไปให้เจตเหล่านั้นดีอกดีใจมีอาหารเป็นพิเมีความสุขการสบายแต่ข้าผ่อนจนสบายเลยมีม มาแสดงตัวให้เจ้าพิมิสารเห็นเจ้าพิมิสายเาไปบคุยพูดเตะจัพเจับบว่าต้องทบุญนะเขาเจ้าพิมิสารก็ทำอยู่ถวายวกข้ากลองจนบายต่างๆเจเหลานั้นก็มีเครื่องงุ่งของผมมาจแงแปงตัวแต่เจ้าพิมพิสารเห็นเป็นเจดขบเจดพระพิดาเท่านะไม่ใชเป็นเเหมือน สมัยก่อ น, นเรื่องนี้ทานาำลับตำราม่าวไว้ทานตายของคนมันเคยเกิดเคยตายมาเป็นระยะนานแสนนานเดือ ล, ลูกอล้านหรือญาติิตบิดามารดาเขาโกรธเราท่านี่เคยเกิดรวมกันเคยตายรวมกันมาถ้าหาบิดามารดาในชาตินี้มิตานมีภรรยาในชาตินี้ เขาได้ไปดีได้เิดเป็นเดชตัวเดชพิดาแต่ฐานีภรรยาลิดามานดาในชาติหลังๆกอนปอาจจะเป็นเดชเป็นชีอยู่กระดาษเดชนั้นการทาบุญสุนทานสหาเขามีใจกว้างฟาควันอุทิศมุ่งสืบสนสืบสนทลงไปให้แก่พวกเบเย่าทั้งหลายเหล่านั้นรับอนุโมทนาเหมืเรียกว่า ปฏิภาณไม่คิดบุญไปจา่พวกเปรตเป็นทางที่จะเกิดบินเกิดสืบสวนเติ่มเติมเสริมต่ในบุญสืบสวนสืบสนทําลงไปนั่นเองพลาดหนึ่งหรือไม่อย่างนั้นบุญสุบสวนผิวคิดไปก็เหมืนมีการเสียหายอย่างไรการคิดบุญไปเหมือนอย่งกับคนอื่นเข้ามาสิบไปจากเราไป แล้วไปที่เรามีอยู่ก็เหอาไปแต่คนนั้นก็ไม่เสียที่ได้ไปจากเราไปไปถึงเรามีอยู่ก็ไม่ไดยังอยู่เลยเป็นสองแสงสว่างแจ้งขึ้นไปตเกาวิารอทิศบูรุษท่านผู้ยานั้นตราท่านาถึงเวลา อย่างวันนี้ที่พวกปู่ญาติทักวของพวกเราถือว่าเป็นวันบูริสยินถืบสมจะหาพวกเพลเราก็ะึงพากันจำเนกแล้วบูริสยินสืบสมภายในจิตใจของตนไปให้ในประชาชนเหล่านั้นจะเป็นการไหว้พระสวดมนต์เป็นการสดับเราปางทำการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเชิงการรักษาชีพใส่ทานต่าง เป็นทางที่ดีสิงานที่วกท่านเหล่านั้นเดินตามตันนิษฐินเดินย่ออยากนี้เพราะเราไม่เป็นคนใจจีดใจจางทำบุญชิงทานอะไรก็ยังมีตังค์คิดบุญบุส่วนันั้นไปให้จะดีอกดีใจเพราะญาตเพืไปชนเหล่านั้นคอยรอรับบุญบุญสนมาเป็นเวลานานเหมือนกันกับญา ที่หนีจากกันไปนานมามาเยี่ยมบ้านขอาญาติมิตรญาติมิตเหล่านั้นม่ดูแล่ตสอนรับอะไรก็มีการเสียใจเป็นธรรมดาญาติมิตรมีการ่อนรับธรับสูตต่างๆอย่างยีอย่างดีพวกคนที่มาเยี่ยมกพดีจิตดีใจ พอจิตพอใจแบบก็ยังรักใครแตเย็นดูเราอยู่สันใดพวกเบสทั้งหลายที่หลวงรับดับไปก็เสมอกันในเวลาเราเราทำบุญชุนทานเรีนเหล่านั้นฮะเว่าเรามองเห็นด้วยตาก็จะมาคอยจ้องมองอยู่ทุกทิกทุกทางคอยรับบุญลับผู้สนดัาติพี่น้องที่ทำบุญชุนทานต่างๆ มีเรื่องการตายเป็นอย่างนั้นจะไปทำมาค้าขายจะไปหา อ, อยากห้ากินส่วนใดไม่ได้ต้องอาศัยตามของตนที่ทำไว้ห่อเลี้ยงยรย่างกายยึตใจในนั้น